วันที่สิบวิ่งจงกรมตื่นนอนนั่งสมาธิเช้าเนี้ยกลับรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาใหม่หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ช่วงต้นลากลมยาวสม่ำเสมอก็รู้พอผ่านไปประมาณยี่สิบครั้งลมสั้นลงก็ไม่ปล่อยให้สติตกรู้ทั้งยาวทั้งสั้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสติเริ่มชัดต่อเนื่องภาวะผู้รู้กองลมทั้งปวงก็ปรากฏเห็ุลมหายใจเป็นสิ่งที่เข้ามาจนสุดแล้วต้องกลับคืนออกสู่ความว่างไปเป็นธรรมดาฉันคุมเวลาไว้ไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงด้วยวิธีตั้งนาฬิกาปลุกเผื่อเหนียวคือเป็นประกันไม่ว่าจะหลับหรือเพลินในสมาธิ นาริกาปลุกจะช่วยเตือนให้ลุกขึ้นเดินจงกรมสะหน่อยครึ่งชั่วโมงตามกำหนดฉันก็ลุกขึ้นเดินท่อมๆใจบอกตัวเองว่ารู้อิริยาบทเดินด้วยสติที่อบรมแล้วจากอาณาปานาสติแต่พอครบครึ่งชั่วโมงแล้วสำรวจคุณภาพตามแนวโพชงก็ต้องมาลงบันทึกไว้ตามจริงว่า ทื่อและแห้งแล้งเหลหือเกินแบบเนี้ยไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความมีสติสมบูรณ์อย่างแน่นอนเพราะฉันจําไว้แล้วว่าอาการทื่อและความแห้งแล้งเป็นบ่อกเกิดแห่งความเบื่อหน่ายและสติชนิดมืดบอดเข้าทำงานตามปกติสังเกตใจตัวเองมีความกังวลหน่อยหน่อย คล้ายมีฝุ่นละอองหน้ารำคาญเคลือบจิตอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็อดกังวลไม่ได้สิ น, นาจะให้นอนใจได้อย่างไรในเมื่อไม่สามารถเลื่อนขั้นขึ้นสู่ความมีสติรู้อิริยาบถได้ตกเย็นฉันเข้าห้องฟิตเนสซึ่งเป็นบริการเกือบฟรีของบริษัทไม่ได้ออกกำลังกายเส้นนานแถมวันนี้จิตมีความกังวลเคลือบอยู่ตลอด ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยอยากยืดเส้นยืดสายให้กระฉับกระเฉงสนหน่อยแวะเวียนไปตามเครื่องออกกำลังต่างๆจนในที่สุดมาหยุดอยู่กับเครื่องวิ่งฉันก้าวยืนบนสายพานแล้วปรับสปีให้ก้าวแบบไม่ช้าไม่เร็วใจก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพิ่งเสร็จจากงาน เลยคิดเรื่องงานเสียมากแต่ด้วยความที่ช่วงหลังได้ฝึกสติเน้นเข้าไปรู้ลมหายใจพอฟุ้งเรื่องงานเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะรู้ลมสหน่อยจึงลากลมหายใจเข้ายาวๆแล้วระบายลมออกสบายๆความเคยชินในการรู้ลมอย่างถูกต้องก่อให้เกิดสติขึ้นทันใด เพิ่งสังเกตว่าความกระชุ่มกระชวยของร่างกายมีส่วนมากขณะที่มีร่างกายขยับเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานสติรู้ลมหายใจคล้ายมีความสดใสมาเสริมฉันจึงตระหนักว่าสติอันเป็นองค์แรกของโพชงนั้นสร้างขึ้นจากตรงไหนก็ได้เสริมด้วยอะไรก็ได้ตราบเท่าที่สิ่งนั้น เกื้อกูลต่อการรู้เข้ามาในขอบเขตกายใจมองย้อนไปบางวันหรือบางช่วงถ้าฉั้นเคลื่อนไหวเชื่องช้าสังกระตายจะพลอยทำให้สติอืดอาดไม่ว่องวตามไปด้วยหากกายเสื่อมซึมสติก็จะมีแนวโน้มแห้งเหี่ยวเป็นเงาตามกัน ฉันเร่งสปีดสายพานให้เร็วขึ้นจนตัวโยกไปโยกมาพอรู้สึกว่าความกระฉับกระเฉงช่วยปรุงสติให้เข้มข้นขึ้นเลยได้ใจจะเอาใหญ่วิ่งไปพักหนึ่งก็ลดสปีดลงสังเกตว่ากายที่โยกโคลงและเกรงกำลังแรงเกินพอดีนั้นนอกจากไม่ช่วยปรุงสติให้ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ใจมีแต่อาการฟุ้งกระเจิงด้วยแรงผลักดันของความโลภอีกด้วยฉันปรับสปีดกลับคืนระดับเก่าตั้งตัวตรงมองสบายๆไปข้างหน้ารู้อาการเคลื่อนไหวของกายซึ่งสังเกตแล้วจุดเด่นอยู่ที่การเหวี่ยงขาสลับกันสองนาทีแรกก็รู้ได้ดีแต่ถัดจากนั้นสติก็เริ่มพร่าเลือน กลายเป็นความเกรงหาดุลไม่ถูกไปแทนฉันสังเกตว่าสติรับรู้อาการเหวี่ยงของคานั้นไม่ทำให้เกิดหลักเกิดฐานชัดเจนนักจึงพิจารณาว่าสิ่งใดในอาการวิ่งเป็นฐานของสติที่มั่นคงที่สุดวิ่งวิ่งอยู่พักหนึ่งก็ตาสว่างผัดสะระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นใสาพานนั่นเอง ที่ชัดกว่าเพื่อนเมื่อนำสติไปวางไว้ที่นั่นก็เหมือนได้ที่มั่นแข็งแรงเป็นฐานตั้งฉันทดลองเอาสติไปอยู่ที่ฐานคือเท้ากระทบพื้นอย่างเดียวเป็นเวลาสิบนาทีเมื่อรู้ตัวว่าจิตลาบไปคิดโ น, น้นคิดนี้บ้างก็ดึงสติมาอยู่กับเท้ากระทบอีกใจรับรู้แต่กระทบแปะแปะแปะสม่าเสมอ ลำตัวตั้งตรงสายตาทอดตรงไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งกับทั้งมีลมหายใจที่สบายประกอบพร้อมฉันระวังนิดหนึ่งไม่ให้สติไปจดจ่อกับลมหายใจขณะนี้เป็นเวลาของการรู้อิริยาบถฉันก็จับจุดที่เด่นสุดของอิริยาบถคือผัสสะกระทบเป็นหลัก สิบนาทีผ่านไปก็ยิ้มออกเพราะรู้สึกว่าคนพบแล้วว่าจะกำหนดสติรู้อิริยาบถวิ่งหรือเดินอย่างถูกต้องได้อย่างไรแค่รู้เท้ากระทบอย่างเดียวไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดสติรู้ทั้งตัวเองโดยไม่ต้องฝืนพยายามบังคับจิตแต่อย่างใด ฉันกลับบ้านด้วยจิตใจที่เปิดกว้างแช่มชื่นตื่นรู้ตลอดตัวแม้จะไม่คงเส้นคงวานักก็พยายามเลี้ยงสติไว้ด้วยลมหายใจใจฉันจดจ่ออยู่กับอาการนั่งแต่ก็มีอนุสติเป็นลมหายใจช่วยประครับประคองอยู่ไม่ใช่อาการเพ่งรู้กายนั่งแบบทึบๆไม่ใช่สะกดจิตให้รู้สึกว่า กลายเป็นเพียงหุ่นกระบอกการมีจิตที่ปลอดโปร่งเป็นพื้นในการรู้อิรยาบทปัจจุบันเท่านั้นทำให้เป็นไปได้ที่จะเห็นกายแสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่ก้อนทึบเป็นดินเหนียวอย่างเคยนั่งในรถก็ท่าหนึ่งลุกออกมาจากรถก็กลายเป็นอีกท่าหนึ่งฉันรับรู้ตามจริงว่า มันต่างกันแม้มีแขนขาหัวตัวเท่าเดิมแต่ลักษณะกายที่ปรุงแต่งจิตให้รู้สึกเกี่ยวกับตัวตนก็ต่างไปนี่เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยสังเกตรู้มาชั่วชีวิตคนธรรมดาอย่างมากแค่รู้สึกว่ากายเป็นเราแต่ไม่เคยสังเกตว่าแค่กายต่างท่าก็ทำให้ความเป็นเราต่างไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่นเมื่อนั่งกายของเราจะเหมือนไม่มีขามีแต่ช่วงหัวลงมาถึงกลางตัวและท่านั่งเดียวกันนั่นเองบางทีกายก็ปรากฏชัดเพียงด้านหน้าบางทีก็เพียงแผ่นหลังแต่บางทีเหมือนมีสติเต็มตื่นอยู่ก็คล้ายเห็นเต็มหัวเต็มตัวมีความรู้สึกเป็นสุขสบาย แต่พอเปลี่ยนมาเดินกายก็ปรากฏคล้ายมีแต่หัวกับขาที่เตะสลับกันถ้าจิตทึบด้วยความฟุง้งตรงกลางก็จะเหมือนตันตันตื้อตื้อแต่ถ้าสติดีตรงกลางจะเหมือนกลวงกลวงไปและกายเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดรู้โดยเฉพาะได้เช่นถ้าจี้เล็งมาที่กลางอก ก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรอุดตันเป็นก้อนหนักแต่เทาวางสติไว้สบายๆที่เท้ากระทบพื้นข้างบนจะเหมือนว่างตลอดคล้ายไม่มีทั้งหัวทั้งตัวมีแต่ความชัดของเท้ากระทบเด่นอยู่ฉันไม่เข้าบ้านแต่มาปิดประตูรัว้วแล้วออกเดินทอดน่องไปรอบหมู่บ้านเป็นสุขมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเห็นกายตามจริงข้างบนว่างข้างล่างชัดเพราะสติกำหนดอยู่เฉพาะเท้ากระทบพื้นเท่านั้นเดินมาพักหนึ่งก็เจอหมาเห่าถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันจะสะดุ้งและโมโหบางทีอาจเผลอหันไปต ว, วาดหรือทำท่าขู่ว่าเดี๋ยวโดนซึ่งเป็นการลดตัวลดชั้นระดับชีวิตไปเทียบเท่ากับมันด้วยโทสะ แต่มาคราวเนี้ทุกอย่างต่างไปนับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เห็นหมาเห่ากายเดินไม่ได้เห่าฉันฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูกายเดินและหมาเห่ากายเดินเท่านั้นผัดสะกระทบหูฮ้องฮ้องนั้นก่อความสะเทือนก็จริงแต่หากไม่ดึงสติให้งวนเงินจากฐานผัดสะนั้น ก็เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมที่สติสามารถเฝ้ารู้เฝ้าดูได้จากฐานที่มั่นอันปลอดภัยสี่ทุ่มคืนนี้ฉันแบ่งเวลานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมอีกครึ่งชั่วโมงรู้สึกพอใจมั่นใจว่าจับจุดถูกวัดจากที่เดินครึ่งชั่วโมงไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดเกรง็ง ยิ่งเดินยิ่งรู้เท้ากระทบชัดแล้วฐานคือความรู้เท้ากระทบชัดนั่นเองก็ส่งให้เกิดความรู้ชัดทั่วอิริยาบถขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับกําหนดบางครั้งสติรู้ลมหายใจมาแทรกแซงความรู้เท้ากระทบบ้างแต่ฉันก็ไม่เสียสูญเพราะกาหนดไว้แล้วว่า ศูนย์กลางการรับรู้จะอยู่ที่เท้ากระทบตราบใดยังรู้เท้ากระทบถ้ามีรู้อย่างอื่นมาแถมก็ไม่เป็นไรถือเป็นกำไรถือเป็นเครื่องสะท้อนกําลังสติที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ถ้ามีอะไรมาแทรกแซงแล้วสติแล่นไปจับสิ่งนั้นโดยลืมอิริยาบถเดินไปก็แสดงว่าสติของเรา กำลังออกอาการเวี่ยงแหจับชายนับเป็นเครื่องสะดุดให้หยุดความก้าวหน้าของสติปัฏฐานเบื้องต้นได้อย่างหนึ่งสรุปคืนนี้ฉันดีใจเป็นพิเศษเมื่อได้หลักการเดินจงกรมที่ถูกต้องตอนนี้เหมือนมีอาวุธคู่ใจสองชิ้นไว้รบทับจับสึกกับกิเลสอย่างสมน้ำสมเนื้อแล้ว